ตอนนี้พวกเราภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะภาวนาถึงจุดที่แยกธาตุแยกขันได้แยกรูปนามจิตตั้งมัน่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำได้เยอะหลวงพ่อพยายามสอนมาเป็นลำดับลำดับนะพัฒนามาเรื่อยเร่เริ่มต้นแรกๆเลยสอนสภาวะสองอย่างที่ไม่ควรทำ อันนึ่งคือเผลอไปลืมกายลืมใจอันที่สองคือเพ่งกายเพ่งใจพยายามสอนพวกเราเรื่องรู้สภาวะแห่งการรู้ไม่เผลอไม่เพ่งนี่พอพวกเรารู้เป็นแล้วมันก็มาถึงขั้นเดินปัญญาอย่าบางคนเมื่อก่อนหลวงพ่อบ่าจิตตื่นแล้วจิตตื่นแล้วจิตตื่นก็คือจิตมันขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตสามารถทําตัวเป็นคนดูได้ นี่บางคนพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยธาตุขันมันแยกออกไปแยกออกไปได้เองนะก็ดูธาตุดูขันมันทํางานไปเข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปนี่บางคนทําไม่ได้รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกอยู่เฉยๆหลวงพ่อก็ต้องมาสอนละเอียดขึ้นให้หัดแยกธาตุแยกขัน เป็นนั่งอยู่นะหายใจไปนั่งหายใจไปเห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่เห็นร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูไม่ค่อยๆแยกเห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งพอนั่งไปนานๆมันเกิดความปวดความเมื่อยขึ้นในร่างกายเช่นปวดขาดูลงไปอีกเดิมขาไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยความปวดความเมื่อยมาทีหลังความปวดความเมื่อยกับขาเนี่ยคนละอันกัน เราก็สามารถแยกได้ว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันจิตเป็นคนรู้เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายจิตเป็นคนรู้ความปวดความเมื่อยคนละอันกันนี่เราเริ่มแยกขันได้มากขึ้นแล้วได้3ขันแล้วแยกร่างกายได้ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ได้ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่อยู่อีกส่วนหนึ่ง นี่นั่งต่อไปอีกอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถความปวดความเมื่อยมันรุนแรงขึ้นจิตใจเริ่มกระสับกรนะสายบางคนกังวลเกิดความกังวล น, นั่งนานๆเดีนน๋จะเป็นอมพาสความกังวลเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะบางคนก็อยากเปลี่ยนอีริยาบถเกิดความอยากอยากจะเคลื่อนไหวหเปลี่ยนอีริยาบถเพราะอยู่ในอิริยาบถเดิมนี้มันปวดมากความอยากก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่แทรกเข้ามาที่จิต เวทนานั้นเกิดที่กายความปวดความม่อยเกิดที่กายความทุรนทุรายต่างๆความกังวลต่างๆมันมาเกิดที่จิตดูให้ดีความกังวลใจหรือความอยากใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมานั้นแต่เดิมจิตไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นทีหลังนั่นั้นมันเป็นคนละอันกับจิตอีกไม่ใช่จิตหรอกอย่างความกังวลว่านั่งนานๆจะเป็นำอัมพาตเนี่ย มันไม่ใช่จิตแต่เดิมจิตไม่ได้กังวลนะความกังวลมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆนหัดดูอย่างนี้เราแยกได้ความปรุงของจิตนะไม่ใช่จิตหรอกความปรุงตัวนี้เรียกว่าสังขารนะสังขารขันปรุงดีปรุงชั่วต่างๆนะหัดแยกนี้เราจะได้ได้สี่ขันลนะร่างกายก็อันหนึ่งความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็อันหนึ่ง กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตก็เป็นอีกอันหนึ่งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นอีกอันหนึ่งนะหัดแยกขันไปด้วยตัวสัญญานะสัญญานี่เว้นไปก่อนก็ได้นะตัวยุ่งเหยิงสัญญาเป็นตัวหลอกลวงทำให้สังขารมันปลุงนะตอนนี้ยังไม่ต้องเรียนเรื่องสัญญาเว้นไปก่อนก็ได้แลว้วภาวนาไปก็จะเห็นบทบาทของสัญญาบางทีสัญญาผุดขึ้นมานะ จากความไม่มีอะไรสัญญาผุดขึ้นมาเช่นจำจาคนคนนี้ขึ้นมาได้จํานึกหน้าคนนี้ขึ้นมาได้พอสัญญาผุดขึ้นมาได้สังขารก็ทํางานเลยเกลียดมันบ้า ง, างรักมันบ้าง是是อย่างนี้ก็มีบางทีสังขารทํางานอยู่แล้วสัญญาเข้าไปหมายสังขารพอทํางานถึงขั้นละเอียดนะเป็นความไหวเป็นความสั่นสะเทือนของจิตไหวยิบยับยิบยั บ, ยบขึ้นมานะในหน้าอกเราเนี้ยไหวขึ้นมาสัญญาเข้าไปกระทบไปแปรอ้อ จิตมันพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนีนะ้มีสมมุติมีบัญญัติอะไรขึ้นมานี่สัญญาเข้าไปแปรออกมาอีกทิ้งนะไปหมายว่าอันนี้คืออนนี้อันนี้คืออนนี้เนะี่ยทงานหลายอย่างนะทํางานได้หลายแบบสัญญาเราเป็นไปก่อนก็ได้นะแยากกายส่วนหนึ่งแยกเวทนาส่วนหนึ่งแยกสังขารส่วนหนึ่งแยกจิตส่วนหนึ่งแยกอย่างนี้ฝึกบ่อยๆแ ย, ยกทําไม แยกเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริงว่าสภาวะแต่ละอันแต่ละอันที่แยกออกมานั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความเจ็บความปวดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความทุรนทุรายของจิตหรือความสงบของจิตอะไรต่างๆเหล่านี้ความรอบความโกรความหลงเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เป็นธรรมชาติด้วยอารมณ์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา จะเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเห็นขันนะขันจะจายตัวไปนะเป็นสภาวะเชิงเดี่ยวรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะจิตตสังขารส่วนจิตตสังขารตัวจิตตัววิญญาณส่วนตัววิญญาณตัวจิตนะพอเป็นสภาวะเชิงเดี่ยวเราจะไม่มีเราความเป็นเราเกิดจากขันนะมันมารวมตัวกันเข้าแล้วสัญญาเข้าไปหมายผิดผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาแม้สัญญาเป็นตัวหลอกนะ ขันมันมารวมตัวกันนะจิตไปหมายเอามารวมกันเข้านะแล้วไปหมายว่าเป็นเราขึ้นมาแต่ถ้าสติปัญญาพอเนหะ็น <c oughs> ขันมันแยกตัวออกไปแล้วสัญญาเข้าไปทํางานไม่ได้ขันมันกระจายออกไปจะไปหมายรวมเปนมองเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรนี้ทําไม่ได้แล้วนะเป็นอัตตาสัญญามองหมายว่าเป็นเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยทําไม่ได้เนพะื่จะเห็นเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราในเขา ในตัวรูปในเวทนาในสังขารในตัวจิตดูมากเข้ามากเข้าจิตยำรับความจริงว่าตัวเราไม่มีตรงที่จิตยำรับความจริงว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าอีกขันห้าแต่ละขันแต่ละขันก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนะถ้าเห็นอย่างนี้เป็นภูมิความรู้ของพระโสดาบันแม้พระโสดาบันไดเห็นความจริงแล้วไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าอีกไม่มีตัวเราที่ไหนเลย ฝึกไปเรืนะจนถึงขั้นสุดท้ายนะเห็นความจริงว่าขันห้านะั้นเป็นทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์เพระมิเที่ยงทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้นะทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวตนนะพอเห็นขันห้าเป็นทุกข์เขี่ยมแจ้งภนะุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์นั่นแหละจิตก็วางขันนะวางขันห้าก็เป็นพระละหันงนะั้นตั้งแต่เริ่มต้นนะเป็นพระโสดาก็เลื่อนเรียนเรื่องขันหานะเรียนไปถึงสุดขีดนะจะเป็นพระลรหันกนะ็คือเข้าใจขันห้า เข้าใจแล้วโสดาก็เข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขัน5้านะคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็เข้าใจขันห้าอีกนั่นแหละรูปนามขันห้านั่นแหลนะมีแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่เรานะตัวมันเป็นตัวทุกข์อีกไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษหรอกใจก็วางนะหมดความยึดถือดังนั้นตั้งแต่ต้นสายจนปลายทางของการปฏิบัติมีแต่เรื่องรูปนามขันห้าทั้งนั้นเลยนะเรียนแต่เรื่องเหล่านี้ เสียดายพวกเรานะบางคนอยู่มาหลายสิบปีไม่เคยได้รู้เรื่องการแยกธาตุแยกขันน่าเสียดายนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระโสดาบันองค์นึ่งนะชื่ออนาถบินทิกะใครใครได้ยินชื่อคงไม่เคยรู้จักนะถ้าหลวงพ่อเปลี่ยนแลนะใครรู้จักอนาถบินทิกะยกมือเป็นแถวเลยหลวงพ่อยังไม่รู้จักเลยลเราได้ยินชื่ออนาถบินทิกะอนาถบินทิกะเสษฐีตอนใกล้จะตาย ให้คนเป็นนิมนต์พระสารีบุตรมาเทศให้ฟังนไก่อนตายนะไม่ห่วงลูกห่วงหลานแนละ้วก่อนตายเนี่ยนิมนต์พระมาเทศพระสารีบุตรท่านก็พิจณารือนนาพิณตุยนิกาเนี่ยนะเป็นคนมีสติมีปัญญามากแต่ว่ามีนิสัยขี้เกรงใจเกินเหตุตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะคลุกคลีอยู่กับพระพุทธเจ้านะแต่ไม่เคยถามธรรมะพระพุทธเจ้าเลยเพราะความเกรงใจกลัวท่านจะเหนื่อยนีย เกรงใจในเรื่องไม่ควรเกรงใจนะผู้เช้าท่านว่านะเกรงใจในสิ่งที่ไม่ควรเกรงใจท่านมาตรัสรู้เพื่อจะมาสอนนะกัไปกลัวท่านเหนื่อยเลยไม่ถามเลยทุกวันไปที่วัดก็ค่อยมองอย่างเดียวว่าจะทําบุญอะไรไม่ได้ฝังทำเท่าไหร่ไม่ใส่ใจเท่าไหร่จะถามสงสัยอะไรก็ไม่ถามเงียบๆอย่างเงียง้ยเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่สติปัญญามากนะแต่ว่าได้ธรรมะมันน้อย ใ, ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากนะได้ธรรมะน้อย พระสารีบุตรก็เนี่ยธรรมะอะไรจะเหมาะกับนาทบินทิกระนะนเทศเรื่องขันห้าให้ฟังนะแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันนี่แหละนะนะเพื่อจะได้เดินต่อไปถึงพระอรหันต์ได้นะแก่ได้สโสดามาด้วยความศรัทธานะศรัทธามันไม่ได้ชำนิชำนาญเรื่องแยกธาตุแยกขันนะน้อมใจเข้าใจมันเชื่อจริงๆตามที่พระเจ้าบอกจริงว่าตัวเราไม่มีเ mm hmm. ชื่อเอาจริงๆสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเชื่อเอาจริงแต่ว่าแยกธาตุแยกขันนี่ไม่ชำนาน พอพระสารีบุตรสอนเรื่องแยก่าตุยกขันธนะ์นแค่ร้องไห้เลยนี่พระโสดาบันยังร้องไห้ได้นะร้องไห้พระสารีบุตรถามร้องไห้ทําไมกลัวตายเหรอเสียดายทรัพย์สมบัติเหรอเป็นห่วงลูกห่วงหลานเหรอผมไม่ได้เป็นลายเสียงเสียดายอย่างเดียวทําไมท่านเพิ่งเทศธรรมะดีๆอย่างนี้ให้ฟังต่อว่านะต่อว่าพระสารีบุตรทําไมของดีของวิเศษนี่ไม่เทศตั้งแต่ผมยังแข็งแรงนะ พระสารีบุตรก็คงนึกเถยงในใจนะแต่ไม่ว่าให้คนป่วยกระเทือนบอ ก, ก็แกไม่สนใจอ่ะเทศแกก็คงไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นแกคิดแต่จะทำบุญ ล, ลูกเดียวนะนี่พอเสร็จแล้อนาบินทิกาเลยขอร้องพระสารีบุตรว่าตั้งแต่นี้ไปนะพระคุณเจ้าช่วยเทศเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องขันห้าเนี่ยให้คารวาสฟังบ้างคาวาสที่มีทุลีในดวงตาน้อยคือมีคี้ผงในตาน้อยเนี่ยมีอยู่ ไม่ได้ฟังแล้วนะจะได้ทําที่สุดแห่งทุกได้ขอร้องนะตัวเองไม่ทันนะเรียนเรื่องขันห้าแยกธาตุแยกขันได้ป่วยหนักนะทําไม่ทันนะขอร้องเผื่อคนรุ่นหลังให้คารวะรุ่นหลังได้ฟังบ้างนี่หลวงพ่อก็ทําตามที่อนาถินทิกาขอร้องนะแต่เราไม่ใช่ภาษารีบุตรหรอกเราไปอ่านดูโอ้ท่านขอร้องให้คารวะเรียนเรื่องขันห้าบ้างจําเป็นนะสำคัญนะ ไม่งั้คนระดับพระโสดาบันที่เป็นเอตัทัคคะคนหนึ่งนะในทางทําทานทางอะไรเนี่ยคงไม่ขอร้องภาษาดิบุตรถึงขนาดนั้นขอให้ได้ฟังบ้างนะงั้นพวกเรามีโอกาสได้ฟังเรื่องขันท่าแล้วนะไปหัดแยกธาตุแยกขันดูไม่ดีจริงไม่สําคัญจริงท่านไม่ขอร้องเลยนี้คือคําขอร้องครั้งสุดท้ายก่อนตายนะของอาณาธบินทิกะเนี่ยดูสิเป็นห่วงพวกเรานะท่านจริงๆได้โสดานะ แต่ว่าไปไม่ถึงที่สุดนะเพราะไม่รู้จักเรื่องรูปเรื่องนามเลยนี่พวกเรามาหัดแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นะดูลงไปแต่ละตัวแต่ละตัวไม่มีเรานะอันนี้ก็จะได้โสดาดูไปอีกแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่น่ารักไม่ปรารถนาไม่น่าปรารถนาเห็นอย่างนี้ใจหมดความยึดถือในขันธ์หหมดความยึดถือในรูปนามก็เป็นพระอรหันต์นะ ถาหันท่านไม่ยึดถือในรูปนามนะเรียกรูปนามก็ส่วนรูปนามไปนะงั้นพวกเราต้องเรียนนะภาพเคียนเข้ามีโอกาสแล้วก็เรียนไปเรียนแล้วก็ไปหัดปฏิบัติหัดแยกรูปแยกนามไม่รู้จะแยกไงก็ทำอย่างที่บอกตะกี้นั่งดูไปหายใจไปนั่งดูไปนะแล้วก็ค่อยๆสังเกตร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะค่อยหัดไป นั่งนานไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาที่แข้งที่ขานะดูลงไปเลยความปวดกับข า, าก็คนละอันกันความปวดเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ขาหรอกแล้วก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอหัดอย่างนี้ปวดมากๆเข้าทุรนทุรายอยากเปลี่ยนอิริยาบทเห็นอีกความอยากเปลี่ยนอิริยาบทไม่ได้เกิดที่ขาเลยข า, ามันปวดอยู่ที่ขานะแต่ความอยากเปลี่ยนอิริยาบทมาเกิดที่ใจแล้วมันก็ไม่ใช่จิตด้วยมันเป็นสิ่งที่มาทีหลังนะจิตเป็นคนรู้อยู่ก่อน นี่หัดแยกไปก็จะแยกออกความปรุงแต่งแยกสังขารออกไปจากจิตได้อีกนีก่ได้สี่ขันนะให้ฝึกไปเรื่อยเลยเข้าใจขันที่ 5, หคือตัวสัญญาตัวนี้เข้าใจยากนิดนึงนั่นฝึกมากๆนะหัดแยกไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะได้ของดีของพิเศษสมกับที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธของดีของพิเศษนั้นก็คือความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์นะฝึกไปเรื่อยเราจะพ้นจากความทุกข์มีความสุขมาหาศาลเลย แ้วฝึกไปหน้าแล้วจะมีความสุขสุขที่สุดเลยมีความสุขอยู่ท่ามกลางแปาปรวนท่ามกลางความวุ่นวายของโลกความแปลเปลี่นของโลกมีความสุขอยู่เหมือนในกองไฟที่ร้อนระอุนะทุกคนทุกแห่งมีแต่ไฟไหม้มีจุดที่ร่มเย็นอยู่จุดหนึ่งนะในใจเรานี่เองใจที่มันวางทลาดวางขันไปค่อยฝึกเอาวันหะนึ่งจะได้ของดีอย่างคนไหนฝึกจน เห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตแล้วตอนนี้มีใครทําอย่างนี้ได้บ้างไม่ได้เห็นตลอดเวลาเราเห็นเป็นคราวลใครทําได้บ้างนาะยยกมือดูนนะเยอะนะให้แยกธาตุแยกขันได้นี่เป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาต่อนะไปปัญญาพอแลเห็นไม่มีเราเลยในธาตุในขันแต่ละตัวแต่ตัวไม่มีเร า, ไ ม, มเราไม่มีเราที่ไหนเลยดันะะนั้นได้พระโสดาบันแนละงั้นหยู่จุดสําคัญอยู่ตรงนี้แหละพอแยกธาตุแยกขันของตัวเองนะ อ้าต่อไปตรวจกันบ้านน้มัสการหลวงพ่อครับเอเอก็ปฏิบัติมาก็เป็นลักษณะที่ว่าเห็นคิดแล้วก็รู้แล้วก็พอรู้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีคนมีตัวสงสัยที่ว่าสงสัยว่ามันรู้ถูกหรือว่ามันมคิดเอาหรือว่ามันเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปนะครับจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดคิดแล้วมันก็เกิดภาวะแห่งการรู้ขึ้นแว บ, บหนึ่งหลังจากนั้นมันก็สงสัย สงสัยให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ภาวะแห่งความสงสัยก็เกิดดับให้ดูอีกเราเรียนกรรมฐานไม่ให้เรียนเพื่อเอาความฉลาดรอบรู้อะไรหรอกเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาต้องการแค่นี้เองให้ความสงสัยเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาคําตอบเสียเวลานะกิเลสทุกตัวทําหน้าที่อันเดียวกันนะให้เราเลิกปฏิบัติให้เราเลิ ก, เรเลกรู้รูปนามนะทุกตัวเลยอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจูงให้เราไปคิดถึงคนที่ทําให้โกรธ จะลืมดูว่ากําลังโกรธความรักความโลภเกิดขึ้นนะมันจูงให้ไปหาคนที่เรารักหรือเป็นของที่เราอยากได้ใช่ไหมใจเราไปอยู่ที่อยากได้ BB บีมั BB เป็นไงเุื่นวาได้ยินเขาพูดกันเราไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นไงนะอยากได้ BB นะใจมันไปอยู่ที่ BB บีเห็นไมันลืมตัวเองลืมรู้ว่ากําลังโลภอยู่ใจฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่นะ หรือใจเกิดสงสัยขึ้นมาก็ยิ่งคิดใหญ่เลยแทนที่จะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่นั้นกิเลสทุกตัวทําหน้าที่อันเดียวกันลากให้เราเลิกรู้สึกตัวเป็นอูบายของมาร น, นะที่จะทําให้เราข้ามอํานาจของมารไม่ได้ตกอยู่ใต้อํานาจมันตลอดเลยเอากิเลสมาเป็นเหยื่อล่อล่อให้เราฟุ้งไปล่อให้เราเลิกรู้รูปหน่ำเพราะฉะั้นจิตสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยไปสงสัยเกิดแล้วก็ดับนี่มารเสียท่าเราลนะ อุตส่าหอาความสงสัยมาหลอกเรานะเรากลับเห็นเลยความสงสัยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์เสียท่าเรานะเราได้คะแนนมาณเสียคะแนนเะฉนันะ้นสงสัยรู้ว่าสงสัยไปสงสัยเกิดระดับไหมเกิดระดับสงสัยเพราะอะไรเราคิดคิดนึกออกไหมในขณะที่รู้ว่าสงสัยไม่ได้คิดนึกออกไหมความสงสัยก็ไม่มีเหตุความสงสัยก็ดับนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับตัวมันดับเราเรียนเอาตรงนี้เอง นะไม่ได้เอาความฉลาดรอบรู้อะไรหรอกกล่วาวณมศการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบนะคะจะมีอาการเหมือนกับมีทําไปสภาพนั้ น, นะคะมันจะเหมือนมีความรู้สึกเป็ น, นก้อนๆอยู่ที่หัวะคะ่ะ <c oughs> จมใจมากไปมันเพ่งไปใช่ไหยคะอย่างนี้ <c oughs> <ป>ค่ะแล้วคื อ, อ, อตอนนี้ปฏิบัติรู้สึกตัวเป็นหรือ ย, ยังคะ <c oughs> สงสัยไหม สสงนั่นแหละคือคำตอบค่ะรู้สภาวะโลกปัจจุบันแล้วไม่มีคําถามหรอกสภาวะทั้งหลายสอนไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละค่ะเอาต่อไปรู้สึกว่าเมื่อวานเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เห็นจิตกับกายแยกกันเนี่ยตาจะมีความรู้สึกว่ามีโลภะเจืออยู่มีโลภะอะค่ะรู้สึกว่าอยากปฏิบัติ ให้ดีทั้งๆ ท, ที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่ได้ภาคเพียรอะไรมากมายแต่พอมาอยู่ว่ารู้สึกว่าเราจะต้องมีแบบเหมือนสร้างตัวเองขึ้นมาแบบเหมือนปรุงแต่งให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นนักปฏิบัติต้องทําในรูปแบบอย่างเข่งคัดอะไรเงี้ยก็รู้สึกตัวค่ะว่าออกจะดูเกินเกินจริงเป็นนิดนึงอะไรงเงี้ยเบื้องต้นเกินไว้ก่อนไม่เป็นไรนะเบื้องต้นจะทําให้พอดีมักจะหย่อนเกินไปะนะก็นนไงต้องตอนนี้เหมือนมัน คำว่าต้องเนี่ยต้องไม่อยู่ในวิปัสสนาใช่ค่ะมีคนตั้งชื่อให้หม่บอกว่าชื่อว่าไม่ต้องอเไยไม่ต้องก็ปฏิเสธนะต้องเปลี่ยนชื่อตอนนี้มันมันค่อนข้างเห็นขันห้าว่ามันทำอะไรของมันเองแล้วมันก็รับวิบากของมันเองอยู่ตลอดเวลาค่การที่เห็นมันทางานของมันได้เองเราเห็นอนัตตาแล้วนะมันไม่ใช่เราหรอกมันทำของมันเอง เห็นมากๆดีถ้าเราลงเห็นไตรลักษณ์ของขันเนี่ยนะเรื่องเรากํากลังเดินไปในเส้นทางของพระอริยะเจ้าแล้วนะมันพอเมื่อไหร่ก็เข้าถึงความเป็นพระอริยะเจ้าเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องผิดวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทําทได้เลยเดินให้ถูกหลักเท่านั้นนะที่ทํากันไม่ได้ส่วนมากไว้ติดแค่สมาธิคิดอย่างเดียวนะฝังใจลึกซึ้งเลยว่า ต้องนั่งสมาธิเข้าฌานก่อนถึงจะมาเดินปัญญาทีหลังบางคนตลอดชาติเข้าฌานไม่ได้นะไม่ได้เดินปัญญาสักทีติดอยู่แค่นั้นแท้จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านเป็นพระควะโตพระผู้จําแนกแจ ก, กธรรมเนี่ยท่านไม่ได้บอกทางไว้สายเดียวนะท่านสอนวิธีปฏิบัติเอาไว้มากมายเหลือเกินนะเหมาะกับคนทุกประเภทเลยที่ททอินทรีย์แก่กล้าพอ บางคนใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะมีทั้ง3มช่องทางนะช่องทางที่4ท่านตัดทิ้งไปพวกไม่เอาอันะนีน้ปล่อยตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะมันไม่ยากไม่เหลือวิสัยหรอกแล้วเข้าใจคนอื่นด้วยนะอย่างเขาเดินอีกเส้นทางหนึ่งเราเข้าใจเขาไม่แปลก ที่ยากหน่อยก็เส้นทางที่ใช้สมาธิและปัญญาควบกันอันนี้จะยากนิดหนึ่งต้องชํานาญสมาธิด้วยนะต้องชํานาญการดูจิตด้วยไม่ใช่ดูกายต้อนงะชำนาญดูจิตเพราะว่าเราจะใช้องค์ธรรมของสมาธิแหละนะมาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะงั้นชำนาญสองอย่างถึงจะไปได้แต่ส่วนมากทําให้ถึงตรงนี้ได้แค่สมาธินําปัญญาปัญญานําสมาธิอีกพวกหนึ่งไม่ได้เรื่องเลยนะ คือมีสมาธิอย่างเดียวไม่เดินปัญญาอีกพวกหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องเลยคิดอย่างเดียวนะสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีฟุ้งซ่านอย่างเดียวเลยเนี่ยพวกดูจิตระวังตรงนี้ไว้นะคิดเอาลูกเดียวบางคนก็คิดคิดคิดนะพูดธรรมะขึ้นมาเราสุดปัญญาแล้วก็ปล่อยทิ้งเหมือนกันไม่ตอบแล้วตอบไม่ได้เออจบแค่นั้นนะไม่ไหวมีเหมือนกันนานๆเจอสักลายคือไม่มีทั้งสมาธิไม่มีปัญญาคิดอย่างเดียวเลย ก็ต้องปล่อยทิ้งเหมือนกันงันต้องไปฝึกต่อนะใจมันเดินอยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วล่ะอ้าวเบอร์สิบสอหลังจากที่ลงโลกมาหลายเดือนนะคะแล้ว<ม>เริ่มกลับมาภาวนาใหม่นะคะ<ม>อาทิตย์แรกที่เริ่มรู้สึกตัวใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่ามีราคะเด่นขึ้นมาเยอะมากนะคะ<ม>แล้วหลังจากที่ราคะจะเจือจางลงไปเนี่ยก็มี โทสะอะค่ะแทรกขึ้นมาแบบเยอะมากๆจนแบบว่าบางครั้งก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ค่ะแล้วก็หลังจากที่กลับมาอยู่ในการปฏิบัติธรรมโดยต่อนเนื่องแล้วเนี่ยก็เห็นว่าแค่เราหลงคิดจิตใจมันก็เริ่มมีน้ำหนักอะค่ะแล้วก็เวลาคุยกับคนนะคะมันเหมือนอยู่ๆปุ๊บเหมือนสวมหน้ากากเข้ามาเป็นอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เวลาหลงไปแล้วก็พอรู้ตัวมันก็กลับมารู้ตัวได้ด้วยตัวเองโดยที่หนูไม่ได้สรงใจดึงให้ให้มารู้ตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าการที่อาการที่ไม่เป็นกลางที่เป็นปัญหามาเป็นปีแล้วไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นยังไงบ้างค่ะตัวเองไม่รู้เหรือก็เหมือนกับว่า เหมือนกับตอนที่มันก็ยังไม่ดีอยู่นั่นเองค่ะแต่ทําไมรู้สึกว่าเราสามารถรู้ตัวเองได้โดยที่ไม่ได้จงใจอย่างเงี้ยค่ะจิตมันจําสภาวะได้มากขึ้นนะค่ะพอจิตจําสภาวะได้บ่อยได้มากเห็นบ่อยๆจําได้แม่นใช่ไหมสติก็เกิดเองรู้โดยไม่ต้องเจตนานะาจากนั้นก็ดูมันทํางานไปนะ่าจะแสดงใจรักให้ดนะูถ้ามันไม่ยอมแสดงใจรักก็คิดนําให้คิดนําเรื่องใจรัก ถ้ามันแสดงแล้วไม่ต้องผีคิดมันเสียเวลาตอนนี้มันหนูรู้สึกว่าหนูดูว่ามันแสดงได้เองแล้วถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วนะเห็นเปล่าโลกมันห่างออกไปแล้วเห็นค่ะอันนี้เห็นได้ชัดเลยไกลก็อยู่ห่างมากแล้วก็ความคิดนะคะบางครั้งรู้สึกว่าคิดแล้วมันหนักแต่ว่าตัวรู้กใยังภูกใจยังแต่ว่าตัวรู้มันก็รู้สึกว่าโล่งๆเบาๆเหมือนกับนั่นแหละภาวนาเป็นนะ ธาตุขันมันก็แยกออกไปนะใจมันถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอใจถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่มีน้ำหนักในใจน้ำหนักในใจนะั้นเพราะจิตไปหยิบเฉวยภาระขึ้นมาหยิบเฉวยขันขึ้นมานะคนทั้งหลายนะวางไม่เป็นไม่ไหยิบมาแล้วก็ปล่อยไม่เป็นแนละทุกข์นานนะดีไปภาวนาต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกอย่าขี้เกียจก็แล้วกันยีนะ่สกกราบนรรสการ์หลวงพ่อครับ เวลาปฏิบัติในรูปแบบฮะพอจิตเขาหลงไปปุ๊บเนี่ยฮะเขาก็กลับมารวมหรือบางครั้งเห็นจิตเขาทำงานได้เองบังคับไม่ได้ฮะมันก็กลับมารวมอีกฮะแล้วก็ตรงที่เขามารวมนี่แน่นแน่นไหมเบาฮะ<อ>มารวมสว่างดีแล้วก็มีความเป็นกลางมากขึ้นนะครับไม่ไม่ทราบที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยฮะิดช่องหลไรปากผมไม่ผิดด อ, อกถูกแล้วนะทำไปด้วยจะไปโลกก็ส่วนโลกนะ ครับจิตเทก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันบางครั้งก็เห็นขันก็กระจายไปเออนั่นแหละเวทนาอันหนึ่งร่างกายอันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งแบบฟังแล้วชอบอย่างเงี้ยชอบฟังแล้วปลื้มดีกบขอบคุณหลวงพ่อนะครับฝึกนะทางที่เราจะรอดจากทุกข์ก็อยู่ตรงนี้แหละเสียดายคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินเรื่องแยกธาตุแยกขันเดินปัญญาไม่เป็น ทำทานรักษาศีลทำสมาธิแล้วก็จบอยู่แค่นั้นนะคิดว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาคนาละเรื่องกันเลยสมาธิเป็นที่นอนพักของจิตเนจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องมาหัดเดินปัญญาหัดแยกธาตุแยกขั น, น ย, ยกเวน้นบางคนอินทรีแก่กล้ามาแต่ชาติก่อนๆแล้วพอจิตมีสมาธิขึ้นมาธาตุขันไ์มันกระจายออกเองเล ย, เยถ้าเราไม่กระจายก็ต้องหัดเาะของคุณจะดีแล้วล่ะนะฝึกไป เกิดชาตินี้ไม่เป็นพระรหัรนะชาติต่อไปทำง่ายเลยนะไม่ยากแล้วามันเคยแยกธาตุแยกขันแล้วเบอร์8ปปดกลับขอบคุณหลวงพ่อค่ะขอกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกวันนี้จะตื่นเต้นกว่าคราวที่แล้วมากมแต่ว่าใจก็ไม่ค่อยได้ประคองน่าแหล ะ, ะหลดีค่ะใจไม่เหมือนเดิมดูออกไหมดูออกค่ะก็เห็นความคิดมากขึ้นแต่ว่าความคิดที่เรา ปงแต่งเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เลยอแต่พอมันเหนื่อยมันก็จะหยุดของมันเองพอมันหยุดของมันเองมันจะมีธรรมะเข้ามาสอนสักพักมันก็จะดื้อของมันขึ้นมาอีกแล้วก็จะคิดคิดไปเรื่อยๆอีกแต่ทีนี้คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็อยากจะมีอุทารหอนเล่าให้ฟังก็คือจะมีเพื่อนรอบตัวเนี่ยเหมือนจะเป็นเจ้าเข้าทรงเยอะอแล้วเขาก็จะมาชวนเราไปหาเทพมั่งไปหาอคนนี้มั่งก็มีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อครับว่า เราจะเชื่อถือมั่นเรื่องนี้ได้มากน้อยสักแค่ไหนเราจะทำยังไงที่ที่จะแยกจากตรงนี้ออกมาได้นะคะเรามีความจำเป็นอะไรต้องไปหาเทพไห ม, มส่วนมากก็จะเป็นหมอดูนะค ะ, คะช่างแล้วรู้ว่าอนาคตปว่วยปวดหัวเปล่าเปล่าก็ไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมคะก็ใช้ธรรมะในปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีนะอานาคตมันดีเองแหละเอาความพ้นทุกข์นะ เทพจริงมั่งก็มีนะเทพเก๊กว่าเยอะนะไปสุมสี่สุมหโดนมันสะกดจิตเอาทําไงที่ทีทท่สงสัยคือว่าทําไมเทพถึงได้มามาเข้าล่างคนไม่ได้ไม่เข้าหรอกเทพจะมาเข้าล่างคนไม่ได้หรอกเขาแสดงให้เห็นต่อหน้าเลยค่ะหลวงพ่อคือคือเขาส่งพลังงานมาให้เท่านั้นเองอถ้ารจริงนะะส่วนที้ที่ปลอมๆก็แกล้งยึกยักไปเองงั้นนลย เป็นเรื่องของการสะกดจิตเนี่ยการถ่ายทอดพลังของจิตเรื่องะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวเขามาอยู่ในร่างมนุษย์นะเทวดาเนี่ยเคยไปฟ้องพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟ้องไปทูลพระพุทธเจ้าบอกไม่อยากเข้าใกล้โลกมนุษย์เลยมนุษย์เนี่ยเหม็นร้อยโยต์ในจมูกของเทวดานะมนุษย์นี่เหม็นมากเลยโศกโปร ก, กโศโครคร้อยโยต์ร้อยโยต์คือหนึ่งันหกรกิโลเมตรงั้นไอ้ที่จะมามุดมาอยู่ในตัวเรานี่ไม่มาหรอกทนไม่ไหวหรอก นี่ทำไมเขามาหาพระพุทธเจ้าเขาหอมศีลเขาหอมธรรมะของท่านอะไรกรลบกลิ่นมนุษย์งั้นเทวดาไม่เข้าสิงคนหรอกมีแต่คนสิงเทวดาตอนนี้ก็รู้สึกตื่นขึ้นมานิดหนึ่งค่ะหลวง่ฝึกไปนะเทวดามีนะเทวดามีพระพุทธเจ้าก็สอนเขาลบเทวดาได้ไหมได้ นะเทวดาเป็นคนดนะีนึกถึงเทวดานุสติธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดานะคือมีฮีรีมีอตัตตะเขาเป็นคนดียกย่องนับถือได้ไม่ไดนะ้ท่านสอนด้วยซ้ำไปนะเราไหว้เทวดาเนี่ยเทวดาก็จะเอื้อเอ็นดูเหมือนบิดามารดารักบุตรอะไรเงี้ยอะไรช่วยได้ก็ช่วยแต่ไม่เกินกรรมหรอกช่วยเกินกรรมเราไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ดูถูกเทวดานะ เราทำกรรมชั่วนะเราแให้เทวดาช่วยเทยวดาช่วยไม่ไหวหรอกเบอร์ยี่สิบแปดการธนรมัตรสการหลวงพ่อครับออผมเคยมาส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับกับผมไม่ได้มีโอกาสมาออหาหลวงพ่อปล่อยนักผมก็พยายามฟังซีดีของหลวงพอ่อแล้วก็พยายามปฏิบัติเท่าที่จะทำได้นะครับก็อยากจะสอบถามเรื่องแรกคือว่า ที่ทําที่ผมพยายามอยู่ตอนเนี้ครับพอถูกทางหรือเปล่าครับแลราดูสีเราเห็นกิเลสบ่อยไหมก็เห็นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ผมเป็นคนที่มีโมหะเยอะนะครับเนอดีครับเห็นถูกนะครับการที่จิตมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยดีมากแล้วนะครับเคยรู้ทันกิเลสไปเรื่อยมีบางครั้งเห็นแล้วรู้สึกว่ามันทุกข์มากครับแต่ว่าไม่ได้ไปไปกดนะฮะแต่ว่ารู้สึกเห็นความทุกข์มัน มันมีขึ้นมาบ่อยมากนะมันขึ้นมาเองนรือหไงก็คือบางทีผมจะขยับตัวรู้สึกตัวเพเรื่อยครับครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาขึ้นมาแวบบขึ้นมาแวบบขึ้นมาได้ได้นะต่อไปนี้ก็รู้ด้วยความเป็นกลางเท่านั้นแหละครับนะความทุกข์เกิดขึ้นไปเกลียดมันก็รู้นะครับต่อไปก็รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางฝึกไปเรื่อยนะ ก็ปฏิบัติอย่างนี้ได้ได้ ไ, ได้ของคุณต้องเคลื่อนไหวร่างกายหน่อยนะเพราะว่าโมหะมันมากครับนะครั บ, รบ96การนำ้ำมการหลวงพ่อคะ่ะหนูไม่ได้ส่งการบ้านมาปีกว่าแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจําเป็นต้องถามหรือเปล่าอะค่ะไม่แน่ใจเรารู้ <c oughs> ไหมล่ะมันบางทีเวลาคิดว่าตัวเองจําเป็นมันกลายเป็นบ้า เราดูเองได้ค่ะแต่เวลาเราหลงแรงๆเรากลับคิดว่าเราเรารู้เรื่องค่ะเราดูได้ค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจตรงนี้ถามไม่ถูกหลวพ่อถามเองจิตขนาดนี้เป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไปไปจัดการไปกดมันอเอไว้ค่ะจิตถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงค่ะ<อ>แต่อยู่ที่บ้านมีเวลาที่ถึงบ้าง ร, รู้จักใช่ไหมจิตที่เข้าฐานเวลาเข้าฐานมันโปร่งโล่งเบานะ มันจะเห็นว่าตัวรู้กับสิ่งที่รู้มันแยกออกจากกันเออแยกกันแต่ว่าไม่ประคองตัวรู้ไว้นะมันแยกก็แยกมันรวมก็รวมนะไม่จงใจนะไปฝึกไปหนูต้องทำอะไรเพิ่มไหมคะค่อยฝึกรู้ทันจิตที่ไหลไปนะชอบหนีไปคิดบ่อยหนีไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะฝึกนี้จิตจะได้มีสมาธิสมาธิจําเป็นตั้งมั่นใจหนูมันฟุ้งแรงไปนิดนึง ยี่สิบเจ็ดเราขับนมัสการครับหลวงพ่อเป็นไงก็งั้นๆอะหรือไงก็รู้สึกว่ามันไม่แน่ใจว่าที่ทําถูกต้องหรือเปล่าถูกสิรู้สึกไม่โลกมันห่างออกไปแล้วคือรู้สึกว่ามันนิ่งๆไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เลยรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจอย่าอยากสิอยากอยากพัฒนารู้ว่าอยากะ ดูเราเป็นองเราไม่ได้เรียนเอาอะไรนะเราเรียนจนกระทั่งใจมันค่อยคลายออกจากโลกอะ่ะเห็นโลกไร้สาระเห็นโลกมันเป็นทุกข์เห็นขันอะมันเป็นทุกข์ค่อยๆรู้สึกลงไปไม่มีอะไรมากหรอกมีอะไรที่แนะนําเพิ่มไหมครับ <c oughs> ตอนนี้จิตอยู่ที่ไห น, นก็กลับไปกลับมาระหว่างหลวงพ่อกับผมเองครับอืระหว่างหลวงพ่อกอะไรกับตัวผมเองครับเออ แล้วไปไหนอีกดูออกไหมมีหนีไปคิดไห ม, มไปดูตรงที่จิตไหลไปคิดบ่อยๆนะให้ชํานาญตัวนี้แล้วคือมันจะมีปัญหาว่าแบบเดีย๋ยวนี้มันจะรู้สึกไปติดๆอยู่กับโลกเยอะครับอยากไปดูหนังว่างทำฝันอยากไม่เป็นไรนะอยากให้รู้ว่าอยากก่อนให้รู้ทันใจก่อนนะสาหรัใดที่ยังอยากอยู่ไม่ไปดูตั้งใจไปงี้อ <laughs> คือไม่น่ใจว่าจริงๆแล้วแบบเราควรจะแบบหักหักกับมันแบบไม่ไปดูเลยหรือว่าแบบเอาไว้ให้มันอยากดูอย่างเงี้ยทีได้ดูใจที่เราร้อนเพราะความอยากอยู่ๆจะไปสั่งมันไม่ให้อยากดูไม่ได้หรอกมันสั่งไม่ได้จิตนะมันอยากดูรู้ว่ามันอยากดูไปดูโฆษณานะ นัสือพิมพ์มีไหมเดี๋ยวนี้โฆษณาหนังเรื่องนี้น่าดูเรื่องนี้นดูเนี่ยเราดูใจที่อยากนะแต่อย่าไปดูมันอดูใจนะถ้าเรื่องไหนหายอยากแล้วค่อยไปดูเอามันฝึกกรรมฐานเลยสู้ไหวไม่แบบเนี้ยที่ผ่านมาก็พยายามสู้อย่างนี้แต่ว่ามันมักจะแพ้ครับไม่ <c oughs> <c oughs> จบที่ไปดูครับนั่งดูจิตเราสิอย่าไปออกจากบ้านซะ นั่งดูของเราไปคือจิตเนี่ยนะกิเลสเนี่ยเราตามใจครั้งที่หนึ่งนะเราจะอ่อนแอลงไปนิดหนึ่งอง่อนเราจะอ่อนแอไปเรื่อยนะถ้าทุกครั้งที่อยากดูหนังเราดูทุกทีเลยสุดท้ายเราสู้มันไม่ได้หรอกนะก็ต้องค่อยๆฝึกใจให้มันแข็งแรงขึ้นลองไปดูนะแล้วเวลาไปดูหนังแล้วลองกลับมาพิจารณาดูมันมีความสุขตรงไหนอะนึก อ, ออกไหมไปดูหนังมันมีความสุขตรงไหน มันหิวหิวะมันแบบอยากได้อารมณ์บบอยากอยากเป็นที่จริงอะนะมันหนีการรู้ทุกมันกลัวจิตมันกลัวว่าเราจะรู้ทุกมากมากนะมันพาให้เราหนีไปดูหนังซะขณะที่ดูหนังเนี่ยไม่ได้ดูกายดูใจแล้วเวลาช่วงนี้หายไปจากโลกเลยนะเพลินเลินไปนะมันต้องการให้เราลืมตัวเราเองอะมันหลอกเอานะมารมันหลอกเอานะคนในโลกเนี้นะอยู่กับทุก์ ก็อยู่กับรูปกับนามถ้ารู้ทุกข์บ่อยๆนะเราก็จะได้มรรคผลนิพพานแต่กิเลสเนี่ยมันกลัวมานมันกลัวว่าเราจะรู้ทุกข์มันพาเราหนีเรื่อยๆบางคนหนีทุกข์ไปหางานทำบางคนหนีทุกข์ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปคุยกับเพื่อนอะไรก็ได้ที่มันจะมาหลอกล่อเพื่อให้เราเลิกที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองมันกลัวอย่างยิ่งเลยว่าถ้าเรารู้กายรู้ใจตัวเองแล้วเราจะพ้นจากอานาจของมัน ว่าเช้านี้ก็มีดออ็อตรตู่นี่ส่งกันบ้านจิตมันจะหนีไปทำงานตอลอดเวลาเลยเพราะมันไม่อยากรู้ทุกเนี่ยมันหนีการรู้กายรู้ใจใจถึงๆนี่แต่ที่ดูอยู่คื อ, อถูกแต่ต้องใจเด็ดเดี่ยวนะอย่าเลิกดูดูไปเรื่อยๆพอมันดูไปสักพักนึงมันจะมันจะพยายามหนีอ่ะไม่อยากดูดูมากกว่านี้เดี๋ยวมรรู้มรคผล มันเลยไม่อยากให้ดูมันเลยชวนไปดูหนังแทนดูรูปดูน้ํากิเลสมันหลอกอะกิเลสทุกตัวเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไม่เกลียดเขานะเขาทําหน้าที่ของเขาอย่างขยันแข็งเลยกิเลสทุกตัวทําให้เราเลิกรู้กายรู้ใจเลิกรู้รูปนามเขาจะพาหนีหนีทุกตลอดเวลาหนีการรู้รูปนามตลอดเวลาเราจะได้ตกเป็นทาสของเขาเรื่อยๆไปเขาฉลาดนะ มันฉลาดที่สุดเลยเว78ราชการหลวงพ่อคะ่ะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนตัวเองติดติดพบ อ, อยู่อะคะ่ะเป็นพบที่ตัวเองสร้างขึ้นนะคะ แ, แต่ว่ามองไม่ออกว่าเป็นพบ อ, อะไรคะ่ะมันนิ่งๆทื่อๆรู้สึกไหมค่ะนะก็รู้ไปสิว่าใจไปเกยตื้นในความนิ่งๆอันเนี้ยนะแล้วใจไม่ชอบอยากหลุดออกมารู้ว่าใจไม่ชอบค่ะ รู้ทันใจเดี๋ยวก็หลุดได้แต่แต่ที่ปฏิบัติอยู่ก็อยู่ในทางใช่ไหมคะยังไม่มันติดแล้วล่ะมันติ ด, ต, ดติดพบเลยให้ให้รู้ว่ายังติดพบแล้วก็ใช่ให้รู้ว่ายังติดอยู่ให้รู้ว่าอยากจะหายค่ะรู้ทันตัวนี้นะมันก็หลุดออกมาได้ไม่จบเหรอะมันเหมือนกับว่าบางคราวเราเราจำํจำจํา ในกิจวัตรประจําวันเนี่ยค่ะรู้ตัวแต่เหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นจิตตั้งมั่นนะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าจะจะมัวมวอยู่ตลอดเวลารู้ว่ามีมัวนะรู้ว่ามีมัวค่ะก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆรู้ว่ามีโมัหะแล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะค่ะเนี่ยให้รู้ลงมาถึงใจไม่ใช่ไปรู้มัวๆไปดูมัวๆนะะมัวๆมันแค่กิเลสถ้าใจไม่ชอบใจความมัวให้รู้ที่ใจเนี้ใจไม่ชอบละ เข้ามาให้ถึงใจ <นะ S 2> ก, ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆที่เมื่อกี้นี้อหลวงพ่อบอกอะค่ะว่าหนีทุกจริงๆห <c oughs> น, นีนะหนีไปนิ่งๆอยู่นี่ก็เป็นวิธีหนีอย่างนึง <c oughs> ไปสร้างพบนิ่งๆอยู่บางคนเขาหนีเก่งนะเขาหนีไปพรหมโลกนะหนีไปเป็นอรูปประพลมนี้ะไพวกนี้หนีหนีทุกข์ทั้งนันะนะ้นเมื่อแปดสิบสขอบพระคุณค่ะขอบแม่สกาหลวงพ่อค่ะ ที่ผ่านมาก็เริ่มฝึกนั่งสมาธิเองอะคะ่ะตอนแรกก็นั่งได้สั้นๆพอฟุ้งเยอะตอนหลังก็รู้สึกว่านั่งได้นานขึ้นแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอะคะ่ะไปปริกวิเวกไปอยู่วัดวัดหนึ่งอะคะ่ะเป็นคนกลัวผีกลัวความมืดนะคะแล้วก็หลังจากทาวัดเย็นพระท่านปิดไฟให้นั่งหนูกลัวกลัวมากอะคะ่ะปกติถ้าอยู่บ้านเนี่ยมืดปุ๊บ ต้องเปิดไฟแล้วก็หายกลัวทันทีแต่อยู่นั่นนี่เนี่ยกลัวความมืดหรอกไม่ใช่กลัวผีหรอกเนาะกลัวความมืดหลวงพ่อบอกให้อย่างนะกลางวันผีก็มีนะไม่ใช่ว่ากลางวันผีตายไปหมดแล้วกลางคืนมันเกิดม่เรากลัวความมืดเท่านั้นแหละค่ะพอพอตอนแรกกลัวมากคิดว่ากลัวผีแล้วพอตาหลังได้สติก็รู้ว่ากลัวความมืดแล้วก็คิด คือรู้ว่าตัวกลัวแต่กลัวไม่หายไปหนูก็พยายามทําให้ตัวกลัวหายไปมันก็ยิ่งกลัวเลยพอสักพักหนูก็มารู้ตัวว่าหนูเนี่ยให้ค่าความกลัวว่ามันไม่ดีอยากให้มันดับหนูก็ลองชั่งมันกลัวก็กลัวออืคราวนี้เหมือนใจมันถอนออกมาแล้วมันก็มองตัวกลัวค่อยๆหายไปใชแล้วเหมือนก็จิตมันก็รวมแล้วหนูก็เริ่มนั่งสมาธิได้แต่ไม่รู้ว่าหนูเห็นจริงหรือหนูหายกลัวเพราะว่า แต่มันเริ่มเชินกว่ความไม่ดแต่มันก็ยังมืด อ, อ, อยู่นะ อ, อยู่มาตั้งแต่เด็กมันก็กลัวไปเรื่อยแหละอันนี้เราไปเห็นจิตที่กลัวเขา้าแล้วพอไปเห็นนะั้นความกลัวก็ดับความกลัวเป็นกิเลส น, นะความกลัวเป็นตระกูลโทสะนี้พอเรามีสติรู้ทันนะัความกลัวก็ดับจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําสมาธิไปครทีนี้พอหนูกลับบ้านหนูรู้สึกว่าหนูกลัวความมืดน้อยลงอืไม่เหมือนตอนที่สมัยก่อนอื มันก็กลัวกลัวเท่าเดิมตลอดแต่พอมาเจอหนเน่ขนเดียวเนี้หนูรู้สึกว่ากลัวน้อยลงไปกลัวก็ดูเข้าไปที่กลัวเลยดูเข้าใจที่ใจค่ะถ้าตอนนี้หนูจะกลับไปที่บ้านรับลองปิดไฟนั่งสมาธิแล้วดูตัวกลัวเนี่ยจะถือว่ายิ่งทําให้มันฟุ้งหรือไม่เม็นการฝึกได้ไปทําเถอะปิดไฟภาวนาไปส่งเสริมมาตรการประหยัดะ แล้หนูขอถามอีกข้อนึงอะค่ะคือหนูมีปัญหาตอนนี้มีปัญหาที่ทํางานก็คือต้องไปแก้ปัญหาเยอะอะค่ะต้องไปยุ่งกับคนอหนูก็ต้องเมื่อก่อนหนูจะโกรธนานหรือกังวลนานคือเหมือนก็คิดเรื่องปัญหาเหดอกนี้ทางในชีวิตประจําวันเนี่ยคิดแล้วมันหาที่สุดไม่ได้ถ้าไปเล่นกับลูกมันก็จะลืมพอเลิกจากเล่นกับลูกปุ๊บกลับมาคิดเรื่องเดิมมันก็ คิดแล้วก็ปวดหัวเหมือนเดิม mm. หนูก็ใช้วิธีว่าสวดมนต์ mm. แล้วก็นั่งสมาธิ mm. แต่นั่งสมาธินี่ก็เอาเรื่องนี้มาคิดแต่มันจะคิดด้วยที่ใจมันใจมันตั้งมั่นกว่าตอนในอยู่กับโลกอะคะ่ะ mm. แล้วพอหนูก็มันคิดแล้วมนมันได้โซลูชันแล้วมันก็หยุดคิดคือมันพอมันคิดเสร็จแล้วมันวางเรื่องนี้อะคะ่ะแล้วพอออกจาก นั่งสมาธิไปอยู่ชีวิประจำวันเนี่ยเพราะมันปรุงคิดอีกมันดับเร็วขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่อยากจะคือมันเหมือนหมดหมดไม่รู้จะคิดไปทําไมมันเหมือนหนูคิดเรียบร้อยไปแล้วแล้วหนูก็ ถ, ถูกเลยนี่คิดตกแล้วมันไม่รู้คิดอีกอย่างนี้ถือว่าหนูนั่งสมาแต่หนูก็นั่งสมาธิได้ไม่ได้รวมเวลาเราทําสมาธินะจิตเราสงบนะแล้วเราคิดแก้ปัญหานี่ยจะคิดได้ดี บางคนนั่งสมาธิไม่เป็นนะมีงานปวดหัวคิดไม่ออกนะไปนอนซะพอตื่นขึ้นมานะ้วสมองใสๆนะีปิ้งเลยคิดง่ายนะพอหาคำตอบเนะี่ยก็จะง่ายจิตมันสงบพอเนะมื่อ76็ดสิถามอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะแล้ว อ, อย่างนี้เรียกว่านั่งสมาธิ ถ, ถูกวิธีไหมคะหรือหนูต้องนั่งให้มันไม่คิดเลยไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะ เราไม่ได้นั่งสมาธิให้ไม่คิดหรอกนั่งสมาธิแล้วค่อยรู้ทันจิต ท, ที่มันฟุ้งไปจิตแอบไปคิดเรารู้จิตแอบไปคิดเรารู้ไม่ได้ฝึกห้ามมันนะจิตเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้จริงหรอกไปข่มไว้แนละ้วมีแต่ยิ่งเครียดเพราะนั้นเราไม่ข่มมันเหมือนอย่างความกลัวเกิดขึ้นอะความกลัวก็เป็นอนัตตาจิต ท, ที่กลัวก็เป็นอนัตตาให้เรารู้เฉยเฉยนะไปข่มมันยิ่งกลัวหนักเข้าอีกยิ่งเครียดหนักกข้าไปอีก ของคนที่เครียดง่ายเพราพชอบขมจิตมากไปไปรู้นะไม่ใช่ไปขมนะไปฝึกตัวนี้ให้ดีเลยแล้วจะมีความสุขกว่านี้อีกเยอะเลย okay. ไปฟังซีดีนะจะรู้ว่าให้รู้ไม่ได้ให้ไปขมมัน7 6็เชิญนั่นนั่งเก้าอี้อยู่นั่งเก้าอี้กลบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาสงปีกว่าแล้วแต่ว่ายังไม่เคยคุยด้วยเลยเจ้าค่ะก็ ถ้าดูตัวเองในสองปีกว่าเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอคือเห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ทันตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามรักษาศีลให้ได้นั่งสมาธิได้บ้างแล้วก็พยายามเดินจงกรมบ้างอท่านั้นเลยนี่แต่ว่าไม่ทราบว่าจะคิดไปเองหรือเปล่าว่าตัวเองทำถูกแล้วคือพยายามทำความเข้าใจจากซีดีะเจ้าค่ะเข้าใจถูกแล้วละ่ะสังเกตไม้มใจเรากับโลกเนะี่ห่างกันมากขึ้นแล้ว ใช่มันโปร่งโล่งเบาขึ้นนะมันแบกทุกน้อยลงะค่ะแล้วก็โกรธน้อยลงด้วยค่ะแต่ก่อนนี้จะโกรธนานมากเดือนนี้โกรดบ่อยโกรดบ่อยให้เห็นเห็นความโกรธบ่อยแต่ว่ามันจะไม่แสดงออกไปค่ะเห็นไหมสีนไม่ก็เกิดเองแหละดีไปฝึกต่อครับทูกแล้วตลแต่ยังหาวิหารและทของเต็งไม่เจอเพราะว่าจะใช้หลายอย่างมากเจ้าค่ะบางทีก็พุทโธบางทีก็มาดูใจที่เต้นตุกตอกพุทโธไปแล้วก็รู้ทันใจ อะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันใจบ่อยๆนะคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะแล้วเวลามันเห็นหัวใจเต้นนี่มันแบบทุกครั้งที่มีสติกับตัวเองมันจะหัวใจเต้นตลอดเลยะคะ่ะดีแล้วมันจ ะ, จะรู้สึกลาคานะว่ามันตุ๊บๆอยู่อย่างนี้ให้รู้ทันใจที่ลาคาญน ะ, ะมีครูบาอาจารย์วงหนึ่งท่านอยู่กับหัวใจในหลวงพระพุทธท่านบอกท่านนอนกลางคืนเนี่ยท่านเห็นหัวใจเต้นตุ๊บๆทั้งคืนเลย ท่านภาวนาท่านมาอย่างเนี้ยหัวใจได้ใช่ไหมใช้ได้สิแต่ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะไม่ชอบไม่ชอบแล้วมันก็เอ๊ะจะเต้นอะไรนักหนาหยุดเต้นก็บ่นเดสิอ่าเบอร์ห้าสิบบอกมานะเต้นต่อไปนะหัวใจเต้นก็บ่นหรการมัสรการพระานาครับ เออผมไม่ได้ส่งการบ้านมานานแล้วฮะยังยังอยู่ในร่องในรอยไหมฮะแล้วว่าอยู่ไหมล่ะก็เออส่มากก็จะหลงหลงโลกค่ะก่อนหน้านี้ครแต่ก็พอดึงตัวเองกลับเข้ามาก็รู้สึกว่ายังยังพอไปได้ครับอืมก็ถูกแล้วล่ะเห็นแม่ใจมันก็โปร่งสว่างสบายดีไปแต่ก่อนเนาะครับทีดีกว่าแ่ก่อนฮะนั่นแหละดูอย่างนั่นแหละนะฝึกมากๆนะโลกมันมีความสุขมาหลอกเรานิดนิดหน่อยห่อยหรอก เราติดมันไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็แก่แล้วหมดเรื่องหมดแรงภาวนาไม่ได้เสียเวลาครับะถ้าพเพียร้ามีแรงอยู่ยังนมอยู่ครับผมต้องต้องเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับต้องใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจมั่ น, นทําทุกวันไม่ท้อถอยนะครับผมแม้ยังกระกรเลย <laughs> เด็ดเดี่ยวตั้งใจมั่นทาทุกวันไม่ท้อถอยร้ <laughs> อยเจ็ดสิบสาม เมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นแชมป์กรอนนะเคยแข่งชนะประเทศไทยด้วยได้ถ้วยมาใบ่งนักกรอนประเทศไทยตอนหล่อหลวงปู่ดูยลยนี่ยถ้วยนั้นไม่หล่อเลยถ้วยของคนโบราณเขาทําด้วยเงินแท้ๆนะไม่ได้เป็นพลาสติกอย่างเนี้ยมีพลาสติกแผ่นหนึ่งเอาไเขียนอะไรก็เอามาแจกของคนโบราณเป็นถ้วยเป็นถ้วยเงินจริงๆอ้าวว่าไป กับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ช่วยสังสอนหน่อยครับฝึกมาระยาทหนึ่งหรือว่าอยู่ดีจิตมันก็บอกว่าคือตลอดชีวิตเนี่ยจะต้องนึกถึงลมหายใจตลอดอะไรนะอะไรตลอดนะตลอดชีวิตเนี่ยครับจะต้องนึกถึงลมหายใจตลอดอหรือว <TikTok S 2> ่าอยู่ดีจิตมันก็บอกว่าคือรักพระพุทธเจ้ามากนึกถึงรพระพุทธเจ้ามาก <Bert? S 2> ดีดีทำไมตอด้วยเหตุอะไรมัน LEGO เกิดเป็นอย่างนี้ครับผมจิตให้มันเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นนะจะรักพระพุทธเจ้าครับดูออกไหมล่ะ ก็ดูออกครับเห็นไม่โรคปัางเปล่าโรคไม่มีอะไรแล้วใช่ครับบางทีรู้สึกว่าเดินไปดูของในบ้านครับรู้สึกว่ามันมันมันมันติระจายคือมันรู้สึกลาคาญหือแต่ก่อนดูเหมือนว่ามันมันกลื่นเข้ากับตัวเองชีวิตประจําวันไปหมดแต่ตอนหลังรู้สึกว่ามันแยกๆออกอืครับไปฝึกต่อนะใช้ได้หลวงพ่อครับคือทําไมจิตมันเวลาเห็นเห็นคนแก่ครับเห็นเลยนะคนแก่ครับเห็นคนแก่เห็นหนังที่เหี่ยวครับหรือว่า เห็นความตายครับเแล้วทําไมจิตมันถึงสลดแล้วก็มันบอกว่าคือมันกลับว่ามันมันถือเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยครับก็ดีแล้วล่ะแล้วอย่างนี้เดินปัญญาต่อยังไงครับหลวงพ่อเป็นอะไรนะเดินปัญญาต่อยังไงครับก็ดูจิตดูใจต่อไปนะดูกายดูใจของเราไปน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเรานะไม่นานเราก็เป็นอย่างนั้นไม่นานเราก็แก่ไม่นานเราก็ตายดูใจที่มันสลดใช่ไหมครับใช่ดูใจที่สลดไปมีบารมีน้ําถึงจะสลด เหมือนอย่างเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะใจสลดนั่นแหละแล้วถ้าอย่างนี้คือถ้าจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะครับหลวงพ่อต้องนึกตอนนั่งกรรมฐานเราเดินอารมณ์กรรมฐานตรงนี้หรือเปล่าครับเป็นยังไงนะเดินอารมณ์กรรมฐานนะครับสมมุติว่าเอาอารมณ์ของใจที่มันสลดจากการมองดูความสลดเข้าไปเลยดูความสลดอย่างเดียวดูความสลดเข้าไปเลยนะคือถ้าดูจิตได้ดูจิตเข้าไปเลยดูจิตไม่ได้ค่อยดูกายก็จะเห็นจิตอยู่ครับพ่อ หลวงพ่อครับเพราะว่าจิตมันมันมันสลดออกแล้วเห็นว่ามันมันเป็นจิตอีกจิตหนึ่งที่มันแยกออกอต้องอย่างนั้นนะครับความสลดก็แยกออกไปนะใช่ครับจิตก็แยกออกไปถูกแล้วละฝึกอย่างนั้นแหละแยกขันไปเลยความสลดก็เป็นอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันใช่ครับหลวงพ่อจิตนั่นเป็นตัววิญญาณขันโคลนดีหลวงพ่อครับอย่างผมฟังซีดีเนี่ยจะมีที่หลวงพ่อบอกว่าพุทโธสุดโธกรุณามหันโนครับ แล้หลวงพ่อเห็นว่าคือมันค่อยเลือยออกมาจากรูเนี่ยเดี๋ยวหลวงพอ่อฟังไม่ออกเอาให่สิมันค่อยๆเลือยออกมาจากจากในในรูครับในโพรงครับตรงนี้ผมพยายามดูผมพยายามช่องครับท่องอแล้วมันมันมันก็ชอบนึกถึงพระพุทธเจ้าครับแต่ว่ามองยังไม่ออกครับว่าอยากอยากเห็นอยู่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นอยังอยากอยู่นะครับไม่อยากกระตือจะเห็นธรรมะนี่แปลกนะอยากแล้วไม่ได้นะ หมดอยากถึงจะได้พยายามทําอารมณ์ให้มันเฉยๆแล้วก็ลองท่องพุทโธสุสุโธอย่างนี้อย่าทำให้เฉยนะท่องไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้กําลังสมาธิครับหลวงพ่อได้ครัได้สมาธิอครับหลวงพ่อมีอะไรสั่งสอนผมต่อไหมครับไปทำต่อนะที่คุณทํามาดีมากแล้วนะนะครับทําไปหลวงพ่อครับอนัตตาแท้ๆคืออะไรครับจอะไว่าอนัตตาแท้ๆครับเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อหลายเดือนมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าสักวันหนึ่งจะเห็นอนัตตาแท้ๆอ๋ออนัตตาแท้ๆน่ะมันแสดง ตัวจริงออกมาให้เราเห็นนะสิไม่ใช่อนัตตาคิดเอาม <c oughs> ครับหลบดูออกนะไหมล่ะธาตุขันไม่ใช่เราเนี่ย อ, อนั่นแหละอนัตตาแท้ๆล่ะถ้ายัง <พอ S 2> ไม่เป็นนะทำสมาธิแล้วก็มานั่งคิดนะีร่างกายไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยอนัตตาไม่แท้หรอกนะั้นอนัตตาคิดเอาหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อช่วยช่วยสอนลงรายละเอียดนิดนึงครับตอนที่นั่งกรรมฐาน ดูดูร่างกายแล้วลมหายใจคือไหลออกไหลเข้าร่างกายอย่างไงครับเอให้รู้สึกใช่ไหมครับหลวงพ่อครับให้รู้สึกนะรู้สึกที่ร่างกายว่าเป็นทา่าเป็นขันหรือว่ารู้สึกว่าลมหายใจมันเข้ามันออกชะตาชะขันเนี้ยรู้สึกลงไปเลยนะมันจะเห็นความตัวทั้งตัวหรือเห็นลมเข้าออกอะไรก็ช่างเถอะรู้สึกลงไปเลยว่านี่เป็นก้อนธาตุนั้นไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่เราหรอกอ๋อถ้าานเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับกลับหลวงพ่อเชิญกลับบ้านนะเชิญ ดีพอนาเก่ง